ตรงนี้ยังกล่าวถึงภาเวตาปรธรรมเนี่นะทที่ควรเจริญในสุตตม ย, ยาญาณคุถกาเนกาฏิสัมพิธาธรรมทำหนึ่งอ่ะนะทบทวนในั้างหนึ่งนะว่าทมหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญทำสองที่ควรเจริญก็คือสมถะและวิปัสนา ทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ ท, ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญอนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญพ่ชองเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญ ปาริสุทธิประธานในยังค่าทำเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือเกษมสิบวันนี้มาขึ้นทำแปดทำหมดแปดที่ควรเจริญทำหมดแปดที่ควรเจริญคืออริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้นแปลว่าทางอันประเสริฐนะ ทางที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานอันประเสริฐพระมรคหมายถึงเหตุเหตุที่ให้บรรลุนิพพานอริยะแปลว่าประเสริฐเหตุหรือทางที่จะให้บรรลุพระนิพพานที่ประกอบไปด้วยองค์แปดอันประเสริฐหรือถ้าหากว่าผู้ใดปรารถนาที่จะบรรลุมรคนิพพานเขาต้องเจริญอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าไม่เจริญอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปด ไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลมุมรรคผลผนิพพานนี่เมื่อพูดกล่าวถึงมรรคมรรคทั้งหลาย <c oughs> ในบรรดาถนนหกสายเขา่บบางั้นแต่จริงในทางศาสนาเรานี่ให้ความสำคัญกับถนนหกสายแต่จริงๆก็ต้องเจ็ดสายนะสายที่หนึ่งก็คือถนนบนโลกนี้ไอ้ถนนบนโลกนี้ก็รู้กันอยู่แล้วไม่จาเป็นต้อง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 ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชิอันยิ่งโดยชอบโดยถูกกล้องและด้วยพระองค์เองซึ่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีอะไรบ้าง1สัมมาทิฏฐิสสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา4สัมมากรรมตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8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 อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญอีกชื่อหนึ่งเนี่ยแปลว่าสัมมตตะก็ได้มิทธะตะเนี่ยนะก็คือมิจธาทิฐิมิทธาสังกัปปะมิจธาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉะอาชีวามิจฉะวายามามิจธาสติมิจธาสมาธิพวกนี้เรียกว่ามิทธะตะหรือมิทธะมรรคก็ได้นะนะมิทธะตะแปลว่าการปฏิบัติที่ผิดพลาดนะ ส่วนสัมมัตตาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกที่ตรงที่ไม่ผิดพลาดแน่นอนเนี่ยนะรับประกันได้เลยว่าแน่นอนถูกต้องไม่มีผิดพลาดพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์รับประกันรับรองมางนันทีนี้ย้อนกลับมาถ้าเป็นมิจฉามรรคเนี่ยนะมิจฉามรรคเนี่ยขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฐิ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 มรแปดก็เหมือนกันเนี่ยนะพระองค์ให้เว้นจากมิฉามรคือมิชาทิฐิกรแล้วให้เจริญสัมมาทิฐิเนี่ยนะมิจชาทิฐิคืออะไรมิจชาทิฐิก็คืออันน้นเขาเขาแบ่งแบ่งเป็นหลายกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะคือออันตานันติกะทิฐิเนี่ยนะอันต akahiga าาทิฐิอย่างหนึ่งแปล ว, ว่าทิฐิที่ถือเอาโดยส่วนสุดถือแบบประเภทสุดๆแบบนั้นแหละ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 ก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะถ้าเดินทางเนี่ยเมื่อมีการเดินทางก็ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง น, นะสมควรแก่การเดินทางฉันใดมิจฉาทิฏฐิที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีที่ไปสามประการคือหนึ่งนรกสองเปรตสามเดราชาัชันนนะฮัทผลพวงของมิจฉาทิฏฐิอยู่ที่นั่น น, นะผลพวงอ่ะ น, นะถ้ดูเลยว่ า, เ, าเห็นหมู่เดรัชานทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยให้รู้เถอะว่า เป็นมิจฉาทิฐิในกระทั่งผู้ที่ล่วงอกุศลกรรมบททั้งหลายก็นั่นก็เป็นพวงผลพวงของมิจฉาทิฐินั้นมิจฉาทิฐินี้ให้ผลเป็นนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานนั้นมิถาทิฐิที่บุคคลสมาทานทำให้มากทำให้พรั่งพร้อมไปแล้วนั่นคือผลที่ได้รับส่วนกรรมสกตาสัมาทิฐิถ้าเจริญอย่างถูกต้องผลออกมาก็คือมนุษย์เทวดาและก็พรหม ถ้าอารยิยมรรคสำมาทิฐิก็คือพระนิพพานชีวิตของเราเนี่ยนะเราอยู่ปราศจากความเห็นได้ไหยในวันหนึ่งหนึ่งเลยนะเราอยู่โดยที่ไม่มีความเห็นเลยเนี่ยคําว่าความเห็นเนี่ยแปลว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะอยู่โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจได้ไหมก็ อ, อย่างที่กล่าวว่าวันหนึ่งเราตื่นประมาณสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนลยนะสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงประมาณเนี่ยต่อวันหนึ่ง แล้ววันหนึ่งเนี่ยตื่นตั้งสิบแปะสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเนี่ยเรามีความคิดกีดความเห็นของเราเนี่ยมันลังเลไปไหนมากเพราะความเห็นเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นการเดินทางความเห็นน่คือการเดินทางเพราะทิฏฐินี่เป็นมัจถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมามัจถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉามัจนนะชีวิตเนี่ยขนาดความเห็นทุกๆความเห็นเนี่ยคือการเดินทางที่สุดของความเห็นอันนี้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 เราจะไปสู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความเห็นของเราแหละถ้าเห็นถูกกล้องก็จบลงด้วยดีถ้าเห็นผิดก็จบลงไม่ดีความเห็นถูกกับความเห็นผิดอีกวิธีหนึ่งเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะความเห็นใดที่เป็นความเห็นผิดจบลงที่ความทุกข์ความเห็นใดที่เป็นความเห็นถูกจบลงที่ความสุขนะอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยนะว่าความสุขที่เป็นผลหรืชื่อว่าเป็นผลของความเห็น ความทุกข์ก็เชื่อว่าเป็นผลของความเห็นถ้าเห็นถูกมีความสุขถ้าเห็นผิดทุกแน่นอนเนี่ยนะทุกแน่นอนทุกทั้งโลกนี้ทุกครั้งโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าทุกๆความเห็นเนี่ยคือการเดินทางของเราแล้วล่ะนะให้ความสําคัญอนะอย่างคนในโลกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนทีหนึ่งโอ้ยเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะวางแผนวินิจฉัยไข้ค ร, ครวญ จริงจ like ังมากเลยนะกับการเดินทางว่าควรจะไปรถไปเรือถ้าไปรถต้องไปอย่างไงไปถนนเส้นไหนค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรให้ความสาคัญกับการเดินทางข้างนอกระหว่างกันทางทางรถทางเรือทางเท้าเป็นต้นเนี่ยเราให้ความสาคัญกับการเดินทางเหล่านั้นมากถามว่าความเห็นเนี่ยนะทุกครั้งที่เรามีความเห็นเนี่ยมีทัศนคติเนี่ยนั่นคือการเดินทางของเราทุกทัศนคติเนี่ยนะคือการเดินทางของเรา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 อันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องระดับโลกิยะระดับเราเท่านๆ่านทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอริยะเนี่ยนะจะต้องให้ความสําคัญกับกรรมมัสคตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิกยายนสัมมาทิฏฐิก ร, รมัสกตาสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้มีสัตว์มีกรรมเป็นเป็นของของตนทีนี้เวลาเราเห็นอะไรเราคิดถึงอะไรเนี่ยเราใส่ใจถึงกรรมอยู่เสมอไหมถ้าใส่ใจอยู่เสมอนั่นแหละเป็น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 ถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องกรรมน้อยเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญนะเป็นตัวกาหนดเป็นตัวจัดแจงชีวิตในอนาคตของเราทั้งหมดชีวิตของเราในอนาคตทั้งหมดอยู่ที่อยู่ที่ความเห็นของเรานะอยู่ที่ความเห็นของเราความเห็นเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงกายกรรมวิจกรรมและมนโนกรรมถ้าเรากาหนดความเห็นของเราไม่ได้ แม้ชีวิตในอนาคตนี่ก็น่าอันตรายเหมือนกันนะน่าเป็นห่วงมากๆเลยท่านต้องให้ความสําคัญกับความเห็นให้เต็มที่โดยเฉพาะความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะนความเห็นในกุศลและอกุศลว่าผลพวงของกุศลเป็นอย่างไรผลพวงของอกุศลที่มีต่อไปในอนาคตอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็พัฒนาความสามารถความเห็นให้จน